ทีนี้ส่วนมงคลข้อต่อไปว่ามัชฌปานาจสัสญยโมเนี่ยนะการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาเนี่ยนะก็คือไม่ดื่มน้ำเมานั่นเองคำนี้เป็นชื่อของเจตนางดเวนจากที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มของเมาของเมานี้หมายถึงสุราและเมรัยที่กล่าวไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะสุราก็ได้แก่สุราที่ทำจาก แป้งเป็นต้นเนี่ยนะหรือเมรัยก็พวกของหมักที่ทําจากดอกไม้เป็นต้นจากผลไม้เนี่ยนะก็เพราะเหตุที่ผู้ดื่มน้ําเมาเนี่ยนะย่อมไม่รู้อัตเนี่ยนะถ้าเมาหรือว่าเล่าเข้าไปแล้วเนี่ยไม่รู้อัตทะไม่รู้ธรรมะเนี่ยนะคือพูดไปแล้วก็คือไม่รู้กรรมและผลของกรรมะนะคำว่าอัตทะเช่นผลของกรรมธรรมะก็เป็นกรรมหรือว่าไม่รู้จักพระธรรมคําสอนโดยซ้ำไปเป็นอัน ย่อมทำอันตรายแก่มารดาทำอันตรายแก่บิดาเพราะว่าคนเมาแล้วเนี่ยก็สามารถประทุษรายพ่อแม่ถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้หรือแม้กระทั่งแก่พระพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าและพระสาวกของพระตถาคตย่อมประสบการติเตียนในภพปัจจุบันและก็ประสบทุกคติในภพหน้าอันนี้เป็นผลของการดื่มสุราและประสบความเป็นบ้าในภพต่อๆไปเนี่ยนะ เรียกว่าเป็นการสร้างเหตุแห่งความเป็นบ้าให้กับตัวเองเลยนะการดื่มน้ำเมาส่วนการสํารวมจากการดื่มน้ำเมาย่อมบรรลุการระงับโทษเหล่านั้นและการถึงพร้อมด้วยคุณที่ตรงกันข้ามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณที่เออคนที่งดเว้นหรือว่าสํารวมจากการดื่มสุราและเมรัยก็สามารถทำให้รู้อัตรู้ทำไม่ทำอันตรายแกบิดามารดาเนี่ยนะ่ง มายะตรงกันข้ามก็ไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บิดามารดาแก่พระพุทธเจ้าแก่พระปเจกับพุทธเจ้าแก่พระสาวกของพระตถาคตเจ้าผานคนที่งดเว้จากการดื่มน้ําเมาเนี่ยนะก็พรองตัดว่าเป็นมงคลเนี่ยนะเพราะว่าจะได้รับคุณธรรมอย่างอื่นอีกมหาศาลอันเกิดในภพใดๆก็ไม่ต้องบ้าไม่ต้องฟุ้งซ่านเป็นต้นเนี่ยนะ ส่วนมงคลข้อต่อไปว่าอปปมาโทจะทำเมสุเนี่ยนะความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายอันนี้หมายถึงความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลคําว่าความไม่ประมาทหมายถึงการอยู่อย่างไม่ปราศจากสติในกุศลธรรมทั้งหลายอ่าโดยอาจพึงทราบว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อความประมาทคือไม่ประมาทนั่นเองเนี่ยนะคืออยู่ด้วยสติเจริญกุศลอย่างต่อเนื่อง ทีนี้ถ้าจะรู้จักความไม่ประมาทดีต้องรู้จักควาว่าประมาทควาว่าประมาทนี้หมายถึงว่าความกระทำโดยไม่เคารพเนี่ยนะทำกุศลแบบไม่เคารพเลยนะสักแต่ว่าทำไปอย่างงั้นการกระทำโดยไม่ต่อเนื่องจเจริญกุศลก็จเจริญแบบไม่ต่อเนื่องกระทำความไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความท้อทุระเนี่ยนะความท้อฉันทะการไม่เสพการไม่เจริญการไม่ทาให้มาก การไม่ตั้งใจการไม่ประกอบเนื่องๆความเลินเล่อในการอบรมกุศลธรรมทั้งหลายความประมาทความเลินเล่อความเป็นผู้เล่นเล่อเห็นปานนี้ใดนี้เรียกว่าประมาทอันคนที่ประมาทก็คือคนที่ทํากุศลอย่างไม่ต่อเนื่องทําแบบไม่เคารพธรรมอย่างไม่มั่นคงทําแบบย่อหย่อนไม่มีฉันท่าในการทํากุศลทอดทิ้งทุระในการทํากุศลไม่เสพไม่เจริญไม่ทําให้มากอ น, นะลักษณะนี้เรียกว่าคนประมาทละ ส่วนคำว่าไม่ประมาทก็คือการกระทําโดยเคารพซึ่งกุศลการทำกุศลอย่างต่อเนื่องการทำกุศลอย่างมั่นคงการประพฤติกุศลอย่างไม่ย่อหย่อนการไม่ทอดทุระในกุศลการไม่ทอดฉันทะาในกุศลการเสพกุศลให้มากการเจริญการทำให้มากการตั้งใจการประกอบเนื่องๆซึ่งกุศลน่ลักษณะนี้เรียกว่าเป็นความไม่ประมาทในกุศลธรรม ความไม่ประมาทในกุศลธรรมนั้นพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบกุศล น, นานาประการและเพราะเป็นเหตุบรรลุอมะตะธรรมเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสว่าผู้ไม่ประมาทผู้ภาคเพียนเนี่ยนะก็สามารถบรรลุคุณธรรมได้หรือว่าความไม่ประมาทเนี่ยนะเป็นอมตะบดหรือว่าความไม่ตายนั่นเองนะผู้ที่ไม่ประมาทก็เหมือนกับผู้ที่ไม่ตายส่วนผู้ที่ประมาทก็เหมือนกับคน ตายแล้วนั่นเองเนี่ยนันขณะใดาที่ประมาทปล่อยให้จิตเป็นไปในการมาคุณทั้งหลายเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็สงสารตัวเองไว้เถอะวางันในคาถาที่หกเนี่ยนะมีอยู่สามมงคลด้วยกันที่กล่าวไปแล้วคือความงดเว้นจากบาปเนี่ยหนึ่งความสำรวมจากการดื่มน้ำเมาเนี่ยหนึ่งความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายนหนึ่งเนี่ยนะ อันนี้ก็เป็นมงคลเป็นเหตุให้ถึงความเจริญเหมือนอย่างที่อธิบายไปแล้วส่วนคาถาที่เจ็ดเลยนะคารวจะนิวาโตจะสันตุธีจักกตันยุตากาเลนะธรรมสวรังเอตัมมังคลมุตตามังเนี่ยนะในคาถาที่เจ็ดเนี่ยนะมีอยู่ห้ามงคลด้วยกันคือหนึ่งความเคารพ 2. ความประพฤติถ่อมตนเนี่ยนะนวาโตเนี่ยนะสามความสันโดษสี่ความกระตันยูหาการฟังทำตามการเนี่ยนะอันในคาถาที่เจดนี่มีห้ามงคลด้วยกันอธิบายว่าคารวะหรือความเคารพเนี่ยนะาลีว่าคารวะเนี่ยคารวะนี่แปลว่าเคารพเหมนนะความเคารพการทำความเคารพ ความเป็นผู้มีความเคารพตามสมควรตามสมควรแก่ผู้ควรแก่เคารพ น, นั่นนะเช่นในพระพุทธเจ้าในพระปเจกพรพุทธเจ้าในสาวกของพระตถาคตในอาจารย์ในอุปชาในมารดาบิดาพี่ชายพี่สาวเป็นต้นเป็นผู้ควรประกอบความเคารพเนี่ยนะชื่อว่าคารวะเนี่ยนะคือทาความเคารพสมควรในบุคคลนั้นนั้นคารวะนี้เป็นเหตุ แห่งการไปสู่สุขคติเป็นต้นนะนะที่เป็นมงคลเพราะเพราะว่าผู้ที่มีความเคารพมีความคารวะเนี่ยสามารถไปสู่สุขคติได้อย่างที่พอองค์ตรัสว่าบุคคลกระทำความเคารพผู้ที่ควรเคารพสักระผู้ที่ควรศักระนับถือผู้ที่ควรนับถือบูชาผู้ที่ควรบูชานะครับ เคารพต้องเป็นลักษณะนี้นะไม่ใช่ไปเคารพทั่วไปหมดไม่ใช่นะต้องผู้ที่ควรเคารพด้วยสการะก็สการะผู้ที่ควรสการะนับถือผู้ที่ควรนับถือบูชาผู้ที่ควรบูชาเนี่ยนะเพราะกรรมนั้นคือกรรมคือการเคารพสการะนับถือบูชานีที่ยึดถือไว้บริบูรณ์อย่างนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าเขาไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หากเขามาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นผู้มีตระกูลสูงในประเทศที่กลับมาเกิดเนี่ยนะเกิดณที่ใดก็จะเป็นคนที่มีตระกูลสูงณที่นั้นนะตามจุลกรร ม, มะวิพังคสูตรเนี่ยนะหรือเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมเจประการเจประการเป็นชไหนคือ ความเป็นผู้มีความเคารพในภะษาสดาแห่งความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิษยาภาเป็นต้นนะนะสิ่งเหล่านี้ก็ชื่อว่าความเคารพอันนี้ก็เป็นมงคลเนี่ยนะเหมือนที่กล่าวไปแล้วนะเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ถึงความเจริญนะเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงอ่ะนะส่วนมงคลข้อต่อไปนั้นนิวาโตนิวาโตหรือนิวาตะแปลว่า ความประพฤติถ่อมตนหรือความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนะหมายถึงว่าความเป็นผู้มีใจลดต่ำความเป็นผู้มีความประพฤติไม่ลำพองชื่อว่าความถ่อมตนไม่ลำพองนะนะไม่เหมือนอื้งอ่างะนะมันพองขึ้นพองขึ้นไม่พองลักษณะนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความถ่อมตนอันใดกำจัดมานะได้กำจัดความกระด้างได้เป็นเสมือนผ้าเช็ดเท้า เสมอด้วยโคอุสภะเขาขาดเสมอด้วยงูที่ถอนเขี้ยวออกแล้วเนี่ยนะย่อมเป็นผู้ละเอียดอ่อนละมุนละไมผ่องแผ้วด้วยความสุขเป็นผู้ที่ถ่อมตนอย่างนี้ชื่อว่านิวาโตอันผู้ที่มีนิวาโตหรือถ่อมตนนีก็ต้องไม่เป็นคนที่มีมานะไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งเนี่ยนะ เขาบอกว่าเปรียบตัวเองเหมือนผ้าเช็ดเท้าแต่ก็ไม่ได้ทําตัวเหมือนผ้าเช็ดเท้านะสกระปรกเลอะเทอะแบบนั้นแต่ก็ไม่มีมา n ะเย่อหยิ่งเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าหรือว่าโคอุสะพะโคเขาขาดเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่อ่อนปวกเปียกไม่ใช่แต่ว่ามีเรี่ยวมีแรงมีกําลังมากแต่ก็ไม่ได้ลําพองอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ละเอียดอ่อนละมุนละไมผ่องแผ้วลักษณะนี้ชื่อวันนิวาตะคือคนที่อ่อนน้อมหรือคนที่ถ่อมตนเนี่ยนะ นิวาตะนี้นั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ได้คุณมียศเป็นต้นเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าผู้มีความถ่อมตนไม่กระด้างคนเช่นนั้นย่อมได้ยศคําว่ายศในที่นี้ได้แก่มีบริวาร น, นั่นเองคนที่ไม่เย่อหยิงไม่ลำพองไม่กระด้างเนี่ยนะใครใคก็อยากคบหาสมาคมเป็นต้นงั้นผู้ที่มีความถ่อมตนก็จะมีพวกมากมีญาติมากมีบริวารมากเป็นต้นนั่นเองนะอันก็เป็นเหตุให้ได้บริวารยศเป็นต้น ทีนี้มงคลข้อต่อไปก็คือสันตุทีคือความสันโดษเนี่ยนะความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ชื่อว่าสันตุทีเนี่ยนะความสันโดษคําว่าความสันโดษเนี่ยนะทั้งหมดเลยมีสิบสออย่างที่จริงแล้วสันโดษเนี่ยมีสาอย่างนะคือ1ยะถาลาพระสันโดษเนี่ยนะสันโดษตามที่ได้ 2. อยะถาภะลาสันโดษสันโดษตามกําลังสามยะถาสารุปะสันโดษสันโดษตามสมควร สันโดษสามอย่างนี่นะคูณในปัจจัยสี่ก็เลยเป็นสันโดษสิบสองเนี่ยนะยะถาลาพระยะถาภะยะถาสารุ ป, ปะสันโดษในจีวอนอย่างเงี้ยนะยะถาลา พ, ะะาพระยะถาภะยะถาสารุ ป, ปะสันโดษในบิณฑบาตเป็นต้นน่ะลักษณะนี้ทีนี้อธิบายว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้จีวอนดีหรือจีวอนไม่ดีเนี่ยนะ ภิกษุนั้นยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวร น, นั้นเท่านั้นไม่ประสงค์จีวร อ, อื่นคือเมื่อได้อีกก็ไม่รับเนี่ยนะชื่อว่ายาถาลาภรสันโดษในจีวรของภิกษุนั้นคือได้ยังไงก็ใช้อย่างนั้นได้ดีใช้ดีได้เร็วใช้เร็วใช้ตามมีตามได้อะแล้วก็ไม่คิดจะหาอันใหม่อีกเลยนะในขณะนั้นชื่อว่ายาถาลาพสันโดษนะสันโดษตามได้อันหนึ่งภิกษุอาพาธเมื่อห่มจีวรหนัก ย่อมต้องค้อมตัวลงหรือลำบากเธอจึงเปลี่ยนจีวร น, นั้นกับพิสูจน์ที่ชอบกันยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวร น, นั้นยังเป็นผู้สันโดษอยู่เชื่อว่ายะถาภะสันโดษในจีวรของพิสูจนนั้นเนี่ยนะเรียกว่ารู้ตักกำลังของตัวเองอ่ะนะถ้าหากว่าเรียวแรงมันอ่อนแอเหลือเกินเนี่ยนะได้แต่ผ้านหนักๆนะนะก็ต้องไปหา แรกเปลี่ยนกับพิสุที่ชอบพอกันนะว่าเ อ, อของผมเนี่ยมันหนักไปใช่ไหมดีเปลี่ยนกันไหมอย่างเงี้ยนะก็ไปขอเปลี่ยนกับท่านอย่างนี้ก็ชื่อว่าสันโดดแต่ว่าสันโดดตามกําลังส่วนสันโดษข้อต่อไปว่าพิสุบางรูปเนี่ยนะได้ปัจจัยอันประณีตเนี่ยนะไปได้ของดีๆมาเนี่ยนะเธอได้จีวอนบรรดาจีวอนชั้นดีอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีค่มีค่ามากมีราคาสูงอ่ะนะ คิดว่า อ, อจีวรเนี่ยเหมาะแก่พระเถระผู้บวชมานานและพระพหูสูตจึงถวายแก่พระพิสุเหล่านั้นตนเองก็เลือกเอาเศษผ้าจากกองขยะหรือจากที่ไรๆอื่นทําสังขารติครองก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นั่นเองอย่างนี้ชื่อว่ายถาสารุ ป, ปะสันโดษในจีวรของพิสุนั้นเนี่ยนะตามสมควรเหมือนกันเถอะตัวเองเป็นพระบวชน้อยเป็นพระใหม่เป็นต้นจะใช้จีวรแบบ นั้นก็ไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยเข้ารูปเข้าร่างเป็นต้ น, นนะนะก็เอาของดีๆไปถวายกับผู้ที่คู่ควรแก่ของเหล่านั้นนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าสันโดษตามสมควรนะครับทีนี้ส่วนในอาหารบินทบาตแหะสันโดษสามในอาหารบินทบาตเนี่นะหมายถึงว่าพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ได้บินทบาทตอนหรือประณีดยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยบินทบาทนั้นไม่ประสงค์บินทบาทอื่นนะแม้เมื่อได้ก็ไม่รับ เนี่ยนะชื่อว่ายะถาลาพาสันโดตในบินธบาศของภิกษุนั้นเนี่ยนะเขาได้อาหารมาอย่างไรก็ฉันอย่างนั้นไปเนี่ยนะไม่ได้ประสงค์เอาอาหารอย่างอื่นอีกเลยอย่างนี้ชื่อว่าสันโดตตามได้อันหนึ่งเล่าภิกษุอาพาชันบินธบาศเศร้าหมองโรคจะกกำเริบหนักเธอจึงถวายบินธบาตนั้นแก่ภิกษุที่ชอบกันฉันเนยใสยน้ำืึ่งและนมสดเป็นต้น จากมือของพิสูุนนั้นแม้ทําสมณธรรมอยู่ก็ยังเป็นผู้สันโดษนี้ชื่อว่ายะถาภละสันโดษในบิณทบาตของพิสูจน์นั้นเนี่ยนะที่จริงแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีอ่ะนะถ้าหากว่าจะฉันอาหารบางอย่างซึ่งสัมนวนสมัยใหม่เรื่องอาหารขยะเนี่ยนะอ่าบางอย่างถ้าฉันไปแล้วเนี่ยโรภยคภัยไข้เจ็บที่ยังไม่ที่มันมีอยู่แล้วก็จะกําเริบมากขึ้นมากขึ้นก็ไปเปลี่ยนกับพิสูจน์ที่ชอบพอกันอ่ะนะที่ที่คุยกันรู้เรื่องที่ศรัทธากันอยู่นะ ก็เอาไปเปลี่ยนกับท่านเอาอาหารที่ประณีตมาฉันแล้วก็จะได้บําเพ็ญสมณธรรมต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่ายะถาภะละสันโดษสันโดษตามกําลังส่วนยะถาสารุ ป, ปะสันโดษในบิณฑบาตก็คือภิกษุอีกรูปหนึ่งได้บิณฑบาตอันประณีตเธอก็เลยคิดว่าเออบิณฑบาตนี้เหมาะแก่พระเถระผู้บวชมานาน และแม้แก่สะพพรมารีอื่นผู้เว้นบิณทบาทอันประณีตเสียก็ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้จึงได้เอาอาหารนั้นไปถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นตนเองก็เที่ยวบินทบาทแม้ฉันอาหารที่ปนกันก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นี้ชื่อว่ายะาสารุ ป, ปะสันโดษในบินทบาทของภิกษุนั้นคือตัวเองก็ไปเอาฉันแบบที่เขาคน้นใครฉันได้แล้วก็ฉันได้นั่นแหละ ที่มีของดีๆก็เอาไปทําบุญเหมือนันน่ยนะอย่างนี้ก็ชื่อว่าสันโดษอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันส่วนสันโดษในเสนาสะนะนั้นมีสมอย่างคือยะถาลาภะยะถาภะยะถาสารุ ป, ปะสันโดษเนี่ยนะเช่นว่าเสนาสนะมาถึงภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอก็สันโดษด้วยเสนาสะนนั้นนั่นแหละไม่ยอมรับเสนาสนอื่นแม้ดีกว่าที่มาถึงอีกนี้ชื่อว่ายถาลาภะสันโดษ ในเสนาสนะนั้นเช่นเข้าไปในวัดใดวัดหนึ่งเขาให้ยูกุติไหนก็อยู่ได้ละอันนั้นนะไม่เลือกไม่เกี่ยงองีกเขาจะบอกเออมีกุติดีกว่าอีกเอาไห้อย่างเงี้ยไม่เอาแล้วอยู่ได้แล้พอและวอย่างนี้เรียกว่ายะถาลาพระสันโดษนะนะอันหนึ่งเล่าพิสุอาพาตอยู่ในเสนาสนะที่อับลมย่อมจะทุรนทุรายอย่างเลือกเกินด้วยโรคดีเป็นต้นเธอจึงถวายเสนาสนะแก่พิสุที่ชอบกัน แล้วอยู่ในเสนาสนะอันเยน็นมีลมที่ถึงแก่พิสูจนนั้นแม้กระทําสมณธรรมอยู่ก็ยังชื่อว่าเป็นผู้สันโดษอย่างนี้ชื่อว่ายถาภละสันโดษนะคิดว่ารู้จักกําลังกายรู้จักสุขภาพของตัวเองว่าควรจะอยู่เสนาสนะชนิดไหนะอย่างนี้ก็ชื่อว่ายถาภละสันโดษพวกนี้เป็นประเภทสาทธะสัมปชัญญะนะพอสามารถรู้อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเหมาะสมและไม่ไม่เหมาะสม แต่ก็ไม่ใช่ว่าโหไปเที่ยวเลือกซะจนคนอื่นก็รําคาญไปหมดก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องไปแลกกับผู้ที่ชอบพอกันนะภิกษุที่ชอบพอกันนะ่ะส่วนยถาสารุปปัสสันโดษคือสันโดดตามสมควรเนี่ยนะว่าอีกภิกษุรูปหนึ่งไม่ยอมรับเสนาสะนะที่ดีแมืมาถึงคิดว่าเสนาสะนะที่ดีเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เมื่อพิษุนั่งในเสนาสนะนั้นทีน้มิท่าก็ครอบงำเมื่อหลับแล้วตื่นขึ้นมาอีกกามวิตกก็ฟุ้งขึ้นเธอก็เลยปฏิเสธเสนาสนะนั้นเสียอยู่แต่ในที่แจ้งโคนไม้และกุติมุงบังด้วยใบไม้แห่งใดแห่งหนึ่งก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่อย่างนี้ชื่อว่ายะถาสารุปปสันโดษในเสนาสนะของพิสุนั้นเนี่ย ก็อยู่กุตีดีก็ไม่ได้ง่วงก็ง่วงตื่นขึ้นมากิเลสก็ครอบงำเอีกอ็อย่าไปอยู่มันเลยอยู่โคนไม้ดีกว่ายัางงี้เป็นต้น น, นะนี่ก็สันโดษเหมือนกันส่วนในเรื่องของอยู่ยาเนะเภสัชเนี่ย็าเรื่องอยู่ยาทั้งหลายกล่าวว่าที่สุในธรรมวินัยนี้ได้เพศัชคือยาไม่ว่าจะเป็นผลสมอหรือมะขามป้อมเธอก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยเพสัชนั้นเนี่ยนะ ไม่ประสงค์เภสัตร์อย่างอื่นมีเนยใสยน้ําพึ่งน้ําอ้อยเป็นต้นที่ได้แล้วแม้เมื่อได้ก็ไม่รับอย่างที่ชื่อว่ายะทาลาภ้าสันโดษในคีฬานปจาัจจัยคือยาของพิสษุนั้นก็โอ้สมองออก็อยู่ได้แล้วแบบนั้นอันหนึ่งพิสูจอาพาธต้องการน้ํามันแต่ได้น้ําอ้อยนีย่เธอก็ถวายน้ําอ้อยนั้นแก่พิสูจที่ชอบกันแต่ทํายาด้วยน้ํามันจาก มือของพิสูจนนั้นแม้กระทําสมณธรรมอยู่ก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นี้ชื่อว่ายาถาพละสันโดษในขีฬานะปัจจัยของพิสูจนนั้นเนี่ยนะเรียกว่าได้ของที่ไม่ถูกโรคมานะอยากได้น้ํามันเนี่ยนะน้ำมันเนี่ยมันเหมาะแต่ไปได้น้ำอ้อยมาก็ต้องเอาน้ําอ้อยไปขอแลกเอาน้ํามันมาแต่ว่าแลกในพระพิสูจนด้วยกันนะพิสูจอีกรูปหนึ่งใส่สมอดองกับน้ํามูดเน่าลงในภาชนะใบหนึ่ง ใส่ของมีรสอร่อยสี่อย่างลงในภาชนะอีกใบหนึ่งคือมีสมอดองด้วยน้ําปัสสาวะก็มีน้ําพึ่งในขวดก็มีเหมือนกันเมื่อถูกเพื่อนพิสูจน์บอกว่าท่านต้องการสิ่งใดก็ถือเอาสิ่งนั้นเถิดถ้าว่าอาพาธของพิสูจนนั้นระ ง, งับไปด้วยสมอดองน้ํามูดเน่าและของรสอร่อยทั้งสองนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหมายก็ว่าในตัวยาทั้งสองอย่างเนี่ยนะหายป่วยทั้งคู่เลยนะฉัน น้ำเพื่องก็หายป่วยฉันสมอดองกับ น, น้ำมูดก็หายป่วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาให้เลือกเอาทั้งสองอย่างจะเอาอะไรก็ได้เธอก็เลยคิดว่าธรรมดาสมอดองด้วยน้ำมูดเน่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสรรเสริญแล้วและพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าบรรปชาอาศัยมูดเน่าเป็นเพสัตชพึงทำความอุตสาหะในมูดเน่าเป็นเพสัชนั้นจนตลอดชีวิตปฏิเสธของมีรสอร่อย เป็นเภสัตชแม้กระทําเพสัตชด้วยสมอดองด้วยน้ํามูดเน่าก็เป็นผู้สันโดษอย่างยิ่งว่า ง, งั้นเถอะในเรสุดยอดของคนสันโดษอย่างนี้แหละเชื่อว่ายะถาสารูปปะสันโดษในขิฬานะปะัจจัยของภิกษุนั้นความสันโดษทั้งสิองอย่างเนี่ยนะที่กล่าวไปแล้วก็เรียกว่าสันตุทีสันตุทีนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุการณ์ประสบ การละบาปประธรรมทั้งหลายมีความปรารถนาเกินส่วนเรียกว่าละความมากัมกมอกว่างั้นละความปรารถนาลามมกเป็นต้นก็คือทําให้ไม่ต้องไปประพฤติผิดธรรมผิดอะไรเนี่ยนะไม่ต้องไปล่วงบาปล่วงตําทั้งหลายมีการผิดศีลไปทำอเนสนากรรมเป็นต้นเพื่อต้องการตัดใจสี่ก็ไม่ต้องแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปทําบาปทํากรรมในส่วนอื่นๆ อ, อ, อีกไม่ต้องไปประจบประแจงคนอื่นเข้าเป็นต้น น, นะนะและเป็นเหตุแห่งสุขคติด้วย เพราะเป็นเครื่องอบรมอริยมรรคไอความสันโดษอันนี้เป็นกุศลธรรมชั้นสูงแล้วในขณะเดียวกันก็อริยมรรคก็อาศัยความสันโดษเหล่านี้นี่แหละเป็นปัจจัยเพราะว่าความสันโดษส่วนหนึ่งเนี่ยนะอยู่ในประเภททุดงเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วสันโดษเหล่านี้อยู่ในประเภททุดงเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาทุดงก็เท่ากับประพฤติวัดเนี่ยนะประพฤติวัดทุดงขวัดทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเหตุแห่งอริยมรรคเพราะว่าเป็นฐานแห่งอริยมรรคชั้นสูงเนี่ยนะ และอย่างหนึ่งผู้ที่มีความสันโดษลักษณะนี้เป็นเหตุแห่งความเป็นผู้อยู่ได้สบายในทิศ ท, ทั้งสี่เนี่ยนะคือจะไปอยู่ในทิศไหนก็ได้บางงั้นเถอะไปอยู่ยังไงฉันยังไงก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นทิศสีเนี่ยนะสำนวนว่าประเทศไทยอยู่ได้ทุกภาคเลยว่างั้นอยู่ยังไงก็อยู่ได้แล้วจะไปยากอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเทศไทยอยู่ได้ทุกทิศว่างั้นอยู่ทุกภาคได้ว่างั้น เพราะฉะนั้นผู้สันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ย่อมเป็นผู้อยู่สบายในทิศ ท, ทั้ง4และไม่มีปฏิฆะไม่ไปต้องไปขัดเครื่องโทสะเดือดร้อนกวนกวายอะไรเลยอันนี้ก็เป็นมงคลนะสันตุทีความสันโดษก็เป็นมงคลมงคลข้อต่อไปก็คือกะตันยูตาเนี่ยนะความเป็นผู้กะตันยูคำว่ากะตันยูนี่แบ่งออกเป็นสองในนะ คำว่ากตัญญูในที่หนึ่งหมายถึงความรู้จักอุปการะคุณที่ผู้ใดผู้หนึ่งทำมาแล้วไม่ว่าเขาทำให้เราเนี่ยนะมากหรื อ, อ น, น้นนอยโดยการระลึกถึงเนืองๆชื่อว่ากะตัญยูตาอันนี้อย่างหนึ่งก็คือระลึกถึงอุปการะคุณที่คนอื่นเขาทำให้อะนะทำให้เราเนี่ยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามก็มันระลึกบ่อยๆถึงอุปการะคุณที่เขาทำแกเราอย่างนี้ก็ชื่อว่ากะตันญู อันนี้ในที่หนึ่งในอีกในหนึ่งคำว่ากระตันยูนี่หมายถึงบุญทั้งหลายนั่นแหลมีอุปการะมากแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะป้องกันทุก์มีทุกในนรกเป็นต้นได้ดังนั้นการระลึกถึงอุปการะคือบุญแม้เหล่านั้นก็ทราบว่าเป็นกตันยูตาคือการตามระลึกถึงบุญที่เคยเคยทําไปแล้วเนี่ยนะมันระลึกนึกถึงเนืองๆที่กุศลที่เคยรักษาเช่นคนที่เจริญจากานุสติก็ระลึกถึงการให้ที่เคย ให้มานี่นะคนที่เจริญเรื่องศีลานุสติก็ตามระลึกถึงคุณคือศีลของตนที่ได้รักษามาเนี่ยนะมีคุณธรรมใดๆก็หมั่นตามระลึกถึงคุณธรรมนั้นๆบ่อยๆอย่างนี้ก็ชื่อว่ากตันยูตาเหมืนกตันยูตานี่แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือระลึกถึงความดีที่คนอื่นเขาทําให้แก่เราอีกส่วนหนึ่งก็ระลึกถึงความดีที่ตัวเองเคยทายํามาทั้งสองอย่างนี้ก็ชื่อว่ากตันยูในกตัญยูตาคือความกตัญยูนี่นะ พรอองษ์ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษมีประการต่างๆมีความเป็นผู้อันสัตว์บุรุษทั้งหลายพึงสรรเสริญเป็นต้นเนี่นะคือสัตว์บุรุษเขายกย่องมากคนที่กตันยูเนี่ยนะดังที่พระ อ, องค์ตรัสว่าดูความพิสูจทั้งหลายบุคคลสองจำพวกเหล่านี้หาได้ยากในโลกเหมือนกันคนที่หายากในโลกหนึ่งบุพการีคนที่มีอุปการะคุณก่อนเนี่ยนะหายากเหมือนกัน ก็เราเราลองคิดดูเออใครมีอุปการะคุณแกเราบ้างเนี่ยนะ ก, ก็ลอะล็กๆลกลกดูก็รู้ว่าเออคนที่หายากก็คือคนที่เป็นบุปการีคนที่ทำให้ก่อนเนี่ยนะก็อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือความกตันยูกระตะเวทีเนี่ยนะคนที่รู้คุณแล้วตอบแทนคุณคนเนี่ยอันนี้ก็หายากนะเพราะฉะนั้นบุคคลสองพวกนี้หาได้ยากในโลกนะคือผู้ที่มีอุปการะคุณก่อน อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่ระลึกถึงคุณที่เขาทําแล้วก็ตอบแทนคนสองพวกนี้หาได้ยากในโลกนะเพราะฉะนั้นบัณฑิตเขายกย่องนะผู้ที่มีความกระตันยูกะตะเวทีเนี่ยมงคลข้อต่อไปก็คือกาเลนะธรรมสวรณ์นั่นนะการฟังทำตามการก็เชื่อว่าเป็นมงคลการฟังทำตามการนั้นหมายถึงการฟังธทำเพื่อบรรเทาความวิตก ในการที่จิตประกอบด้วยอุทะจะเมื่อฟุ้งซ่านก็ฟังธรรม嘛นะหรือเมื่อจิตถูกวิตกทั้งหลายมีการมวิตกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำชื่อว่าการฟังธรรมตามการฟังธรรมเพื่อไม่ให้จิตฟุ้งซ่านฟังธรรมเพื่อไม่ให้อกุศลวิตกเป็นต้นครอบงำฟังธรรมเพื่อไม่ให้นิวรครอบงำ嘛ะนะอย่างนี้แหละชื่อว่าการฟังธรรมตามการรัวเอนี้จะฟุ้งซ่านแล้วนะนี่จะเกิดการมวิตกแล้วก็ไปฟังธรรมเป็นต้นอะนะอันนี้ชื่อว่าการฟังธรรมตามการ ถามว่าการไหนเป็นการควรฟังธรรมการที่ฟุงซ่านกามที่อากุศลวิตกเป็นต้นครอบงำเนี่ยนะไม่ใช่รอให้จิตสบายก่อนแล้วไปฟังธรรมไม่ใช่เพราะฉะนั้นช่วงอกุศลวิตกก็ควรฟังธรรมนะเพราะว่าในขณะนั้นจะได้ระ ง, งับได้แต่อาจารย์บางท่านกล่าวว่าฟังธรรมทุกๆห้าวันเนี่ยนะชื่อว่าฟังธรรมตามกาลเหมือนอย่างที่ท่านพระอนุรธทธะกราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้จเจริญพวกข้าพ อ, อง์นั่งประชุม กันด้วยทำมีกระถาคืนยังรุ่งทุกห้าวันแลนะท่านอยู่กันสามองค์พระอนุรุทธะนันทยิยะกิน ม, มิระเนี่ยนะสามองค์เนี่นะห้าวันทุกๆห้าวันเนี่ยนะสนทนาการทั้งคืนเลยนะหวันสนทนากันครั้งหนึ่งห้าวันครั้งหนึ่งแต่นั่งคุยกันทั้งคืนเนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะในการใดภิกษุเข้าไปหากัลยาณมิตรแล้วอาจฟังธรรมบรรเทาความสงสัยของตนได้ การฟังธรรมแม้ในการนั้นก็พึงทราบว่าเป็นการฟังธรรมตามการเหมือนกับเวลาที่เราสงสัยนะสงสัยก็ไปถามไปฟังเนี่ยนะขณะนั้นนั้นก็ชื่อว่าฟังธรรมตามการเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุเข้าไปหากัลยาณมิตรเหล่านั้นสอบถามไล่เรียงตลอดกาลนาตลอดการตามการคือรู้จักเวลาเนี่ยนะเออเวลานี้สงสัยต้องไปถามนะเนี่ยถามแล้วก็บันเทาความสงสัยอย่างนี้ก็ชื่อว่าฟังธรรมตามการ การฟังธรรมตามการนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษนานาประการมีการละนิวรได้เป็นอนิสงส์เนี่ยนะเวลาที่ฟังธรรมตามการเนี่ยนิวรคือการมมฉันทะพยาปาทัถีนะมิธะอุทจัจกุกุจาวิจิกิชาก็ไม่ไม่ครอบงําไม่กลุ่มรุมในเวลาที่ฟังธรรมแล้วก็การฟังธรรมเนี่ยนะเป็นเหตุให้บรรลุ ความสิ้นอาสะวะเนี่ยนะพระผู้ที่ฟังธรรมถ้ามีโยนิโสมนสิการไข่ครวญตามพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เนี่ยนะสิ้นกิเลสสิ้นอาสะวะทั้งหมดเลยอย่างที่พระองค์ตรัสว่าลูกกรพิสูจนทั้งหลายในสมัยใดพระอริยาสาวกทำใจเนี่ยนะหรือว่าใส่ใจทำให้เป็นประโยชน์ รวบรวมทุกอย่างเอาไว้ในใจเงี่ยโสดฟังธรรมสมัยนั้นนิวรณ์ทั้งห้าของพระอริยาสาวกนั้นย่มไม่มีถ้าหากว่าใส่ใจประมวลเนื้อหาแล้วก็เงี่ยโสดลงฟังะนะนิวรณก็ไม่กลุ่มรุมและพองตรัสว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายพึงหวังอ น, นิสงส์สประการแห่งธรรมะทั้งหลายที่คุณโสดคือธรรมะที่ฟังมาเป็นอย่างดีเป็นต้นเนี่ยนะ จนถึงธรรมะที่แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิก็ได้รับอ น, นิสงส์สี่ประการเนี่ยนะเช่นได้ยินได้ฟังสิ่งที่เคยได้ฟังแล้วเป็นต้นหรือบางแห่งพระองค์ตรัสว่าดูความพิสูจทั้งหลายธรรมะสี่เหล่านี้อันพิสษุอบรมโดยชอบหมุนเวียนไปโดยชอบตลอดกาลตามการย่อมให้ถึงธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะโดยลำดับธรรมะสี่ประการคืออะไรคือ การฟังทมตามการเป็นต้นนะผู้ที่ฟังทมตามการเป็นต้นนั้นสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะที่สิ้นอาสวะธรรมะที่สิ้นอาสวะจริงๆก็คือมรรคผลนั่นแหละเป็นธรรมะเป็นที่สิ้นตายแห่งอาสวะวันในคาถาที่เจ็ดเนี่ยนะมีอยู่ห้ามงคลด้วยกันคือหนึ่งคารวะเนี่ยนะความเป็นความเคารพสอง นิวาโตความประพฤติถ่อมตนสามสันตุถีความสันโดษสี่กระตันยูตาความกระตันยูห้ากาเลนะธรรมสวรังการฟังธทมตามการทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นมงคลเนี่ยนะส่วนอ น, นิสงค์ของมงคลแต่ละข้อก็ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะ